วันนี้เป็นวันเสารที่ย7สบเจ็ดธันวาคมพุทธศักราชสอง8เป็นวันพระคือเป็นวันธรรมสวรรวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมและเป็นวันบูชาพระรัตนตรัย บูชาพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณอันประเสริฐผู้ที่เป็นสารณะเป็นที่พึ่งแก่สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆการบูชาพระคุณ ของพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสอนและพระอริยสงสาวกในทางพระพุทธศาสนามีแสดงไว้สองระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งเรียกว่าอามิสบูชาคือการบูชาด้วยวัตถุเข้าของเงินทองต่างๆและอันดับที่สองเรียกว่าปฏิบัติบูบชาคือการปฏิบัติ จิตใจเพื่อชำระสักพอ้อกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงให้หมดสิ้นไปจากใจนี่คือการบูชาในพระพุทธศาสนาบูชาด้วยอมิสบูชาและบูชาด้วยปฏิบัติบูบชาอมิสบูชาเป็นการบูชา ที่ง่ายกว่าปฏิบัติบูบชาแต่อานิสงส์ที่ได้จากอา mis บูชาจะน้อยกว่าอานิสงส์ที่ได้จากการปฏิบัติบูชาอานิสงส์ของอามิสบูชาก็คือจะได้สุคติเป็นผลตามมาหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว จิตก็จะเวียนว่ายอยู่ในสุขคติคือจะไม่ไปเกิดในอบายจะเวียนว่ายในสวรรค์ชั้นต่างๆสลับกับการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าอาิสบถ้าปฏิบัติบูชาที่เป็นการปฏิบัติยากกว่าอาภิสบูชาแต่ได้อ น, นิสง์มากกว่าคือจะได้อนิพพานคือการสิ้นสุด ของการเวียนว่ายตาเกิดได้บรลมมะสุขจากจิตใจที่สะอาดผ่องใสที่เรียกว่านิพานแต่ก็เป็นการบูชาที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติทั้งสองระดับด้วยกันสำหรับการเริ่มต้นบูชาเราก็จะบูชาด้วยอมิสบูชาไปก่อน เพราะอามิสบูชาเป็นการบูชาที่ไม่ยากจนเกินไปหลังจากที่เราได้กระทามิสบูชาแล้วต่อไปเราก็จะมีกำลังที่จะเพิ่มการบูชาให้ไปสู่การปฏิบัติบูบชาได้อย่างนั้นเราก็มาศึกษาดูว่าอามิสบูชากับปฏิบัติบูบชานี้ จะทำจะต้องทำอย่างไรบ้างสำหรับอาบิสบูชานี้คือบูชาด้วยวัตถุข้าวของเงินทองต่างๆคือการทำบุญทำทานการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยจตุปัจจัยไทยทานเช่นอาหารบิณฑบาตจีวรเครื่องนุ่งหม่ม ที่วาสัยกุติที่อยู่าสัยและอย่ารักษาโรคภัยไข้เจ็บอันนี้เป็นการทํานุบำรุงพระภิกษุและสา ม, มเณรที่มาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติบูบชาเพื่อที่จะได้มีดวงตาเห็นธรรมได้พบกับธรรมันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบ แนะนำทรมันประเสดนี้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกต่อไปการทำนิบนุงด้วยจัดตัปัจจัยท า, ยานแก่พระภิกษุและสา ม, มเณรและแม่ชีที่เป็นนักบวชเป็นการกระทาที่เรียกว่าอามิสสบูชาถวายอาหารจะด้วยการใส่บาตรก็ดีหรือจะ ไปถวายที่วัดกด็ดีแล้วก็ถวายผ้าจีวรผ้าผ้าสำหรับนุ่นงหม่มแล้วก็ช่วยกันสร้างที่ว่าสัยคือกุฏิต่างๆแล้วก็เวลาพระสงฆ์ท่านมีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็หาอยู่้ายาหรือพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอันนี้เป็น อามิสบูชาส่วนหนึ่งนอกจากนั้นก็ยังมีการบูชาด้วยการสร้างถาวรวัตถุต่างๆสร้างวัดวารามต่างๆเพราะการที่จะมีพระภิกษุมาบวชมาศึกษามาปฏิบัติมาบรรลุธรรมและมาเผยแผ่ธรรมให้แก่สัตว์รรโลกได้ก็จำเป็นต้องมีที่อยู่อาศัยกัน มีที่ศึกษาร่ามเรียนก็มีการสร้างวัดกันขึ้นมาจะเป็นการถวายที่ดินในเบื้องต้นก่อนก็ได้เมื่อมีที่ดินแล้วก็ร่วมกันสร้างถาวรและวัตถุที่สำคัญ mm. เช่นโบสถ์เจดีสาราสำหรับทํากิจต่างๆเช่นสารา การประเรียนเปิเป็นสาลาการศึกษาห่ามเรียนของพระภิกษุสามมเ น, นารศาลาไว้สำหรับเป็นหอฉันสำหรับทำบุญต่างๆเช่นใส่บาทถวายภาพป่าเป็นต้นนี่คือถาวนวัตถุที่สำคัญที่เป็นองค์ประกอบของพระพุทธศาสนา อันนี้ก็รวมไปถึงพระพุทธรูปด้วยที่ยังไม่ได้กล่าวถึงและวัตถุต่างๆที่มีการก่อสร้างกันขึ้นมาเหล่านี้เรียกว่าเป็นการระทาอามิสบูชาคือเป็นการทำบุญทำทานนี่เองผู้ทำก็คือได้บริจาคทรัพย์ของตนที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ ทรัพย์ของเราอาจจะมีมากกว่าที่เราจะต้องเป็นจะต้องใช้ต้องเก็บเอาไว้เราก็เอาทรัพย์ส่วนนี้มาถวายให้กับวัดสร้างวัดสร้างพระพุทธศาสนาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับพระภิกษุสามนเณรและนักบวช้รวมที่เป็นทั้งคาละวะ ด, ด้วยเพราะนอกจากภิกษุสามนเณรแล้วก็มี ค า, าว่าญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่จะเข้ามาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันแบบชั่วคราวคืออาจจะมาอยู่เช่นวันพระก็มาอยู่กันหนึ่งคืนกับหนึ่งวันก็มีหรือบางท่านในเวลามากก็อาจจะอยู่สวันบ้างห้าวันบ้างเจดวันบ้างก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ก็จาเป็นที่จะต้องมีสถานที่ไว้อยู่อาศัยสถานที่ไว้ศึกษาสถานที่ไว้ปฏิบัติธรรมไหวพระสวดมนต์ลงโบสถ์ลงศาลาสวดมนต์ไหวพระนั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมทากิจกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาคือเป็นการปฏิบัติบูชา นี่คือเรื่องของอาบิสบูชาสำหรับผู้ที่เริ่มต้นอยากจะทำการบูชาอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองอยากจะแสดงความกตัญญูกตวเวทีความสำนึกในบุญคุณนันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าของพระธรรมและของพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าและตอบแทนพระคุณนันประเสริฐนี้ ด้วยการบูชาด้วยการทําอามิสบูชาเพราะอยู่ในฐานะที่สามารถทําได้เพราะถ้าเรามีเงินทองพออยู่พอกินแล้วยังมีมียังมีเหลือไว้ส่วนหนึ่งื mm ่อ hmm. ทําไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ก็ให้นำเอามาทําอามิสบูชาการการทำอามิสบูชานี้ อันนี้สงฆ์จะพาให้จิตนี้ได้ไปสู่สุคติแต่ต้องมีข้อแม้อยู่ว่าบุญที่ได้สร้างไว้นี้จะต้องมี ม, มากกว่าบาปที่อาจจะไปทำ mm hmm. ถ้าบาปยังมีมากกว่าบุญบุญที่ได้จากการกระทาอามิสบูชาก็ยังไม่สามารถส่งผลได้เพราะบาปที่ทาไว้มีกาลังมากกว่าก็จำเป็นที่จะต้อง ไปรับผลบาป ก, ก่อนไปเกิดนอบายเพื่อความมั่นใจว่าอนิสง์ของอาิสบูชานี้จะเกิดผลนอกจากการกระทำบุญทาทานแล้วก็จะต้องรักษาศีลด้วยคือละเว้นการกระทำบาปห้าข้อด้วยกันคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติติ่นการมไม่พูดปด และไม่ดื่มสุรายาเมาและสิ่งสิ่งที่ทำให้เกิดกอาการมึนเมาต่างๆพอทถ้าเมื่อมีการมีความมึนเมาเกิดขึ้นแล้วก็จะไม่มีสติยับยั้งความคิดที่ไม่ดีความคิดที่จะทำบาปได้แต่ถ้าไม่ได้มีอาการมึนเมามีสติสัมปชัญญะเวลาคิดที่จะทำบาปก็สามารถยับยั้งไม่ได้โดยเฉพาะถ้ารู้ว่า การกระทำบาปนี้เป็นพิษเป็นภยัยเป็นอันตรายต่อจิตใจก็จะไม่มีความอยากที่จะทำบาปนี่คือการคุณสมบัติของการกระทำอมิสบูชาคือทำบุญทาทานตามกำลังตามโอกาสแล้วก็รักษาศีลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อที่ จะทำให้ผลบุญที่ได้ทำไว้นี้มีมากกว่าผลบาปเพราะเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปบุญกับบาปนี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะมาพาวิญญาณไปสู่พบต่างๆถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะเป็นผู้ดึงดวงวิญญาณให้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆ ที่มีอยู่หกชั้นด้วยกันสูงต่าอยู่ที่บุญที่ทำมากน้อยสวรรค์ชั้นสูงก็จะมีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นต่า<ม>การทำบุญถ้าทำมากมก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงกว่าการทำบุญน้อยอันนี้เป็นเป็นเหตุและผลที่จะเกิดขึ้นตามมาต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ ตายไปแล้วเราไม่สามารถที่จะควบคุมดวงวิญญาณได้เหมือน ต, ตอนที่เรามีร่างกายอยู่เช่นตอนนี้ตอนนี้เรายังสามารถควบคุมดวงวิญญาณควบคุมจิตของเราได้ด้วยการทำบุญละบาปเป็นต้นแต่ถ้าเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราจะไม่สามารถควบคุมดวงวิญญาณของเราได้ เพราะผู้ที่จะมาควบคุมดวงวิญญาณของพวกเราก็คือบุญและบาปที่เราที่เราได้ทําไว้ในตอนที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นเราจึงควรที่จะพยายามทําบุญให้มากกว่าทําบาปทําบุญให้น้อยไอ้ทําบาปให้น้อยทำในถ้ายังอยู่ในกรณีที่ยังไม่มีกําลังพอที่จะระงับการกระทําบาปได้ทั้งหมด ก็พยายามละบาปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าต้องการที่จะไปสู่สุคติแล้วก็พยายามทําบุญให้มากเท่าที่จะสามารถทําได้ให mm hmm. ้คิดว่าเงินทองที่เราทําที่เรามีอยู่ในขณะนี้ mm hmm. เวลาตายไปเราจะไม่สามารถเอาติดตัวเราไปได้เลยแม้แต่บาทเดียวแต่ถ้าเราเออกมาแปลงเป็นบุญเราก็จะสามารถเอาบุญนี้ไปได้แทน ว่าโลกที่เราจะไปอยู่ข้างหน้าที่เรียกว่าโลกทิพนี้เขาไม่ใช้เงินทองที่เราใช้กันในโลกมนุษย์เงินทองของโลกทิพย์ก็คือบุญนี้เองเหมือนเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศเราก็ต้องเปลี่ยนเงินตราเงินสกุลต่างๆของประเทศนั้นๆเราไม่สามารถเอาเงินตระกุลของเรานี้ไปใช้ในต่างประเทศได้ ถึงแม้เอาไปก็ต้องไปแลกเปลี่ยนแต่ในโลกท็ดนี้ไม่มีที่แลกเปลี่ยนเงินตามีแต่มีแต่มีแต่บุญอย่างเดียวไม่สามารถเอาเงินติดตัวไปแล้วก็อไปเปลี่ยนเป็นบุญได้ถ้าอยากจะเปลีป่ยนเป็นบุญก็ต้องเปลี่ยนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ในตอนนี้ให้เราคิดถึงความตายบ้างเพราะที่เราจะได้รู้ว่า ชีวิตของเราในโลกนี้มีขอบเขตเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้การไปได้ตลอดวันหนึ่งร่างกายนี้ก็จะต้องหมดสภาพไปเมื่อหมดสภาพแล้วใจที่มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพาไปทำอะไรต่างๆก็จะไม่มีร่างกายจะต้องอยู่แบบดวงวิญญาณก็จะอยู่ภายใต้กฎของบุญและบาป ถ้าบุญมากกว่าบาปบุญก็จะได้พาไปอยู่ตามสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบาปมากกว่าบุญบาปก็จะพาให้ไปอยู่ในอบายในอบายก็มีอยู่สี่สชนิดด้วยกันถ้าทาบาปด้วยความหลงก็จะไปเกิดเป็นสัตว์ในราชานถ้าทาบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหย ทีเกวตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมก็จะไปเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่อยู่ในนรก น, นี่เป็นกฎแห่งกรรมที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเมื่อถึงเวลาแล้วกฎแห่งกรรมนี้ก็จะเป็นผู้ที่จะตัดสิน ให้ดวงวิญญาณของเราไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งตอนที่ตายไปแล้วนี่เราไม่สามารถที่จะมาสร้างบุญหรือสร้างบาปได้จะสร้างบุญสร้างบาปได้ก็ต้องตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้เท่านั้น<บ>เพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่ยังสามารถทำบุญได้ยังสามารถละ บ, บาปได้ก็อย่าประมาทให้รีบทำเสีย เพราะชีวิตของเรานี้ไม่มีใครกำหนดได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่อาจจะเป็นวันนี้ก็ได้อาจจะเป็นอีกร้อยปีอีกยี่สิบปีสามสิบปีก็ได้ไม่มีใครรู้แน่นอนแต่ที่แน่นอนก็คือจะต้องมีวันสิ้นสุดลงเั้นเวลาสิ้นสุดลงอใหยมันสิ้นสุดลงด้วยด้วยด้วยด้วยการมีบุญมากกับมีบาปก็แล้วกัน อันนี้คกอที่มาของอมิสบูชาที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธแล้วได้ทำคุณประโยชน์ให้กับศาสนาให้กับเพื่อนร่วมโลกที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการสนับสนุนพระพุทธศาสนาด้วยวิธีการต่างๆเช่นทำบุญใส่บาตรถวายผ้าฝ่าผ้ากระถินผ้าจีวร สร้างกุฏิที่อยู่อาศัยแล้วก็ถวายารักษาโรคโรคต่างๆแล้วก็สร้างถาวรละวัตถุที่จาเป็นต่อการกระทํากิติของพระพุทธศาสนาสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวิหารสร้างศาลาต่างๆเป็นต้นแล้วก็สร้างพระพุทธรูปไว้สำหรับการไหว้บูชา จึงเป็นหน้าที่ของชาวพุทธเราที่มีความกตัญญูต่อพระพุทธก็ทำพระสงฆ์จะทำหน้าที่นี้ในเบื้องต้นคือทาอามิสสบูชาก่อนเพราะว่ามีกาลังพร้อมที่จะทำได้ถ้ามีเงินมีทองแม้แต่มีข้าวเพียงทัพพีเดียวใส่บายก็ถือว่าได้ทํานุงพระพุทธศาสนาได้ทาอามิสสบูชา น, นี่ คือเบื้องต้นของการบูชาในพระพุทธศาสนาเพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และปรารถนาและตอบแทนบุญคุณอันยิ่งใหญ่ด้วยการทำนูุ่บำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่เป็นที่พึ่งของสว์โลกไปนานๆส่นนวนการกระทาบูชาส่วนที่สองที่เรียกว่าปฏิบัติบูบชา อันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมจิตใจที่เรียกว่าปฏิบัติจิตภาวนาเพื่อเป็นการซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กาจัดความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาโมหะ ว, วิชาที่เป็นเหตุที่พาให้สัตว์โลกต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อย ที่เป็นเหตุที่ทำให้สัตว์โลกต้องทุกข์ต้องวุ่นวายใจกันอยู่ทุกวันทุกคืนทุกเวลาถ้าไม่มีการปฏิบัติบูบชาไม่มีการซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จิตใจก็จะต้องอยู่กับกองทุกข์ไปเรื่อยๆอยู่ไปจนกว่าที่จะสามารถซักพออจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ และการที่จะสามารถซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้นี้ก็ต้องมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่มีใครรู้จักวิธีซักพอกจิตใจชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆตัดภพตัดชาติให้มันสิ้นสุดไปได้เพราะว่ามีพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวเท่านั้น ที่ส า, สามารถรู้จักวิธีสักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้จิตใจยุติการเมียนไหว้ตายเกิดให้จิตใจไปอยู่ที่พระนิพพานได้ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้นุพระธรรมมันประเสริฐก่อนหลังจากที่ได้ทรงตัดสัุ้แล้วก็ต้องนําเอาพระธรรมมันประเสริฐนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสารโลกที่สนใจที่อยากจะหลุดพ้นจาก กองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ศึกษาได้ปฏิบัติและได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ตามลำดับต่อไปเท่านั้นซึ่งลำดับพวกเราหล่านี้ก็ถือว่าเป็นพวกที่มีบุญหรือมีโชคที่มาหาศารที่มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาถึงแม้จะไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็ตามแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงมีตัวแทนอยู่ทาหน้าที่ สั่งสอนพวกเราอยู่สองตัวแทนด้วยกันคือหนึ่งพระธรรมคาสั่งคาสอนที่ได้ทรงสอนไว้ตลอดระยะเวลา45สหปีด้วยกันพระธรรมเหล่านี้ก็จะได้มีมการจดจามาถ่ายทอดกันมาจากสมัยหนึ่งมาสู่สมัยหนึ่งเลยมาถึงสมัยปัจจุบันนี้ก็ได้ได้เอามาบันทึกไว้เป็นตัวสอน บันทึกไว้ในพระคำพีที่เรียกว่าพระตายปีดกพระตายปีดกนี้คือที่บรรจุเขาทำคําสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าบอกว่าจะเป็นศาสดาแทนพระองค์ต่อไปตอนที่พระเจ้าก่อนจะจากโลกนี้ไปทรงตรัสว่าพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากเราผู้เป็นศาสดาของพวกเธอเพราะพวกเธอจะมีศาสดา แทนเราที่จะทำหน้าที่แทนเราได้ก็คือพระธรรมคำสั่งคำสอนต่างๆที่เราได้แสดงไว้ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันที่เรียกว่าสวากขาโตภะกวตาธรรมโมธรรมที่ตัดไว้ชอบตัดไว้ตามความหลักความเป็นจริงทุกประการที่สามารถเอามาศึกษาและนำอาไปปฏิบัติเพื่อซักฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ แล้วก็ตัวแทนองค์ที่สองก็คือพระอริยสงสาวกทั้งหลายนี้พระที่ได้ศึกษาดได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนสามารถบรรลุเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งถึงขั้นที่สี่ได้ก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นทางสู่การหลุดพ้นเห็นทางสู่การไปสู่พระนิพพานเห็นวิธีการซักพอกจิตใจให้สะอาดบริบสุทธิ์ได้ ก็จะเป็นที่พึ่งค่าตาบใดถ้าเรามาเกิดในยุคที่ยังมีพระธรรมคําสอนมีพระไตรปิฎกอยู่และมีพระอริยสงฆ์สาวกกที่จะมาคอยอธิบายมาคอยแสดงธรรมที่มีในพระไตรปิฎกให้ผู้ศึกษาได้ฟังเข้าใจง่ายขึ้นเพราะบางทีศึกษาเองจากหนังสือก็อาจจะไม่เข้าใจก็ได้เพราะว่าอ่านไปแล้ว อาจจะแปลความหมายไม่ถูกก็อาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้ามีพระอริยบุคคลที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมมาอธิบายให้ฟังก็จะสามารถนำเอาไปปฏิบัติให้ถูกต้องได้ให้ได้บรรย์ถึงผลอันเลื่นอันประเสริฐได้นี่คือตัวแทนของพระพุทธเจ้าอาตาาใดถ้าโลกนี้ยังมีพระธรรมคาสอน มีพระ อ, อริยสงสารโลกอยู่ในโลกนี้พระพุทธศาสนาก็ยังจะตั้งอยู่เป็นที่พึ่งของสารโลกต่อไปได้แลการที่จะทำให้มีพระ อ, อริยบุคคลอยู่ในโลกนี้ไปเรื่อยๆก็จำเป็นที่ต้องมีการปฏิบัติบูบชานี่เพราะการปฏิบัติบูบชาเท่านั้นที่เป็นวิธีที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุเป็นพระ อ, อริยบุคคล ได้เป็นพระโสดาบันพระสะกิดาคามีพระอนาคามีและพระอาหารหันต์ได้การศึกษาเพียงอย่างเดียวศึกษาวิธีซักพอกจิตใจแต่ไม่นำมาไปปฏิบัตินี้ยังไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์ให้เข้าถึงพระนิพพานได้การศึกษานี้เป็นการเรียนรู้วิธีซักพ่อเท่านั้นเองยังไม่ได้เป็นการซักพอกของจิตใจ จะซักพอกจิตใจนี้ต้องนำเอาวิธีที่ได้ศึกษาที่ถูกต้องนี้ไปซักพอกด้วยการปฏิบัติการซักฟอกนี้ก็ต้องปฏิบัติขั้นศีลกับภาวนานี้ศีลก็ต้องเป็นระดับศีลแปดขึ้นไปศีลเนฆะคือต้องละการหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะในรูปแบบต่างๆางเช่นละเว้นการร่วมหลับนอนร่วมเพศกัน ละเว้นการรับประทานอาหารตามความอยากละเว้นการหาความสุขจากการเสดมะสบบันเทิงต่างๆดูภา พ, พยนตร์ดูละครดูการละเล่นต่างๆร้องรำทำเพลงแล้วก็การเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยวิธีการต่างๆและไม่นอนมากจนเกินไปด้วยการไม่นอนบนฟูกบนเตียงที่มีฟูกหนาๆที่สุขที่สบาย ก็จะทาให้ติดกับความสุขที่ได้จากการนอนบนบนเตียงที่มีฟูกห น, นาให้นอนบนเตียงที่มีพื้นแข็งๆจะได้นอนไม่มากพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่มาใช้กับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆในรูปแบบต่างๆนี้มาให้กับการซักฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ซึ่งต้องมีอยู่สองขั้นตอนด้วยกัน ขั้นตอนแรกก็ว่าทำจิตใจให้สงบให้นิ่งเป็นการทำให้กิเลสตันหามโมหะอาวิชชาพักตัวอยู่ชั่วคราวเป็นการซักพอกแบบชั่วคราวก่อนเพราะการซักพอกแบบถาวรนี้ต้องรอให้สามารถซักพอกแบบชั่วคราวให้ได้ก่อนเพราะการซักพอกแบบชั่วคราวนี้ง่ายกว่าการซักพอกอย่างถาวร และการซักพอออย่างถาวรก็ต้องอาศัยการซักพอกแบบชั่วคราวไว้ก่อนยังจำเป็นที่จะต้องทำสมถภาวนาคือการทำสมาธิก่อนก่อนที่จะไปวิปัสสนาภาวนาคือการเจริญปัญญาเบื้องต้นก็ใช้สติควบคุมใจให้นิ่งให้สงบด้วยกำกับใจให้ผูกใจไว้กับกะอารมณ์ของกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นการ บ, บริกรรมพุโทโธด้วยการดูลมหายใจเข้าออกด้วยการสวดมนต์อันนี้เป็นการถูกใจไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพื่อให้ใจนิ่งให้ใจสงบพอใจนิ่งใจสงบแล้วก็จะเกิดความสุขเกิดความเกิดนิพพานแบบชั่วคราวขึ้นมาความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงนี้จะหายไปหมดจากใจชั่วคราวเพราะกิเลสตัณหาได้ถูกระงับไว้ด้วยกําลังของสติ แต่จะไม่สามารถทำลายมันได้พอสติอ่อนกำลังลงก็จะก็จะออกจากสมาธิมาพ อ, อ, อจากสมาธิมาความโลภความอยากต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญามากาจัดมันอย่างถาวนถ้าถ้าเราได้ขั้นแรกแล้วได้สมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิมาพอเราเผลอสติหรลอสติมีกำลังอ่อนความโลภความอยากโผล่ขึ้นมา เราต้องการกาจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปเราก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาจะสอนให้เราเห็นว่าความโลภความอยากนี้เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเราและสิ่งที่ความโลภความอยากต้องการก็เป็นทุกข์เหมือนกันเพราะสิ่งที่ความโลภความอยากต้องการนั้นเป็นความสุขชั่วคราวเป็นของชั่วคราวเวลาได้มาก็เกิดความสุข แต่วันหนึ่งก็จะต้องมีการสูญเสียไปพัดพากไปจากกันไปเวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ตามมาสอนใจให้เห็นายรักในสิ่งที่อยากสอนใจให้เห็นทุกข์ของใจว่าเป็นว่าตัณหาเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดกิเลสตัณหาด้วยการมองให้เห็นว่าสิ่งที่กิเลสตัณหายากได้นั้นเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตา น, นั่นเอง น, นี่คือเป็นการกำจัดสักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุดธิ์กำจัดความโลโกรลงให้สะอาดบริสุดอย่างถาวรต้องกำจัดด้วยปัญญาการกำจัดด้วยสมาธิเป็นการกำจัดชั่วคราวพัะชั่วขณะที่จิตสงบในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมากิเลส ก, ก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ถ้าไม่อยากให้มันโผล่ขึ้นมาเลยเวลามันโผล่ขึ้นมาแล้วเราใช้ปัญญาสอนใจ หเห็นโทษของความอยากของกิเลสว่าเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจเวลาโลภอะไรอยากได้ใจจะวุ่นวายอยู่ไม่สงบแล้วสิ่งที่ได้มาที่คิดว่าจะให้ความสุขก็เป็นความสุขชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามรูปเสียงกลิ่นรสราบยศสรเสริญบุกคล น, นั้นบุคคนนี้นวนเป็นอ น, นิจจังนวนเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเวลาได้มาก็มีความสุขเวลา เขาจากไปก็จะทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจถ้าเห็นเห็นผลที่จะตามมามันจะต้องกลายเป็นความทุกข์ในที่สุดความอยากก็จะไม่อยากขึ้นมาความอยากก็จะถูกกำจัดไปอย่างถาวร น, น, นี่คือวิธีการซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นการปฏิบัติบูชาอันนี้สงของการปฏิบัติบูชาก็จะได้พระนิพพานเป็นผลที่สูงสุด ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด <little> ต <oule voices> ิดต่อไปพระพุทธเจ้าซึ่งตรงตัดว่าการบูชาระหว่างอมิตบูชากับการปฏิบัติบูชานี้การบูการปฏิบัติบูชานี้เป็นการบูชาที่เลิศที่สุดเพราะได้อานิสงส์ได้ประโยชน์ที่สูงสุดได้มากที่สุดคือได้พระนิพพานได้การเส้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่ก็คือวิธีการบูชาในพระพุทธศาสนา ที่มีอยู่สองวิธีด้วยกันคือหนึ่งอามิสบูชาทาบุญทมทานรักษาศีลห้าแล้วก็ปฏิบัติบูบชารักษาศีลแปดเจริญจิตตภาวนาก็พอสมควรกับเวลาสำหรับที่ได้กำหนดไว้ว่าจะมีการแสดงธรรมสามสิบนาทีในเบื้องต้นและเวลาที่เหลืออีกประมาณยี่สิบกว่านาทีก็จะเอามาปฏิบัติบูบชากัน ด้วยการมานั่งสมาธิเจริญสัมมาทิพวนาทําใจให้นิ่งให้สงบให้รวมเป็นหนึ่งให้สัตว์วะรู้ให้เกิดโอเบคาให้เกิดความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงวิธีที่จะทําใจให้นิ่งให้สงบได้จําเป็นที่จะต้องมีสติคอยผูกใจให้อยู่กับอารมณ์ที่จะกล่อมใจให้สงบอารมณ์นี้เราเรียกว่ากรรมฐาน มีหลากหลายอารมณ์ด้วยกันสี่สิบกรรมฐานแต่เวลาปฏิบัติจริงๆเราใช้อารมณ์เดียวหรือหรือหรือสองอารมณ์ก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมในเบื้องต้นเวลาที่เราจะเริ่มนั่งสมาธิถ้าใจเรายังฟุ้งยังคิดมากอยู่ก็ใช้ธรรมานุสติคือการระลึกถึงพระธรรมคำสอนด้วยการสวดมนต์บทธรรมะต่างๆบทพระสูตรต่างๆสวดไปภายในใจให้ใจ เบาจากการฟุ้งสร้างให้ใจสงบตัวลงในระดับธรรมดาปอใจสามารถมาดูลมได้หรือมาบริกรรมพุโทโธได้ก็หยุดการสวดแล้วก็มาบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปหรือดูลมหายใจที่ปลายจมูกไปเวลาที่ทํากรรมฐานดูลมหรือพุโทโธนี้เวลามีอะไรปรากฏขึ้นมาในใจก็อย่าไปสนใจ มีเสียงเข้ามาก็อย่าไปสนใจมีภาพปรากฏขึ้นมาก็ไม่ไม่ต้องสนใจมีอะไรเข้ามาอย่าไปสนใจมันไม่มันไม่มีความสําคัญอะไรสิ่ง ต, ต่างๆมันเป็นไตลักษณ์ทั้งนั้นมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับของมันเองมันไม่ได้พาเราไปสู่สมาธิไปสู่ความสงบได้สิ่งที่จะพาเราไปสู่สมาธิสู่ความสงบได้ก็คือกรรมฐานให้เราผูกใจอยู่กับกรรมฐานตลอดเวลาของการนั่งสมาธิ จนกว่าจิตจะนิ่งสงบแล้วกรรมฐ า, านนั้นก็จะหายไปเองจิตนิ่งสงบแล้วจิตก็ไม่ต้องอาศัยกรรมฐ า, านจิตก็จะนิ่งอยู่ในความสงบเสพความสุขที่เกิดจากความสงบไปจนกว่ากำลังของสติจะหมดลงก็จะกลับออกมาจากสมาธิต่อไปอ น, นี่คือวิธีการนั่งสมาธิโดยสังเกตเอามาฝากท่านในขณะที่เราจะนั่งสมาธิต่อไปนี้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 ถ้านั่งยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีน้อยควรจะเจริญสติให้มากก่อนที่จะมานั่งสามารถเจริญสติได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเดีวเฝ้าดูร่างกายของเราอย่าให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆแล้วต่อไปเวลานั่งใจก็จะสงบได้ง่ายต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พร ยถาวาริวาหาปุราปิริปุเรนติสาขลังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิทิตังปัธิตังทุมหังทิปเมวะสนิจโตสัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนาระโสยทถามณนิโชติ รสุยทัสสะพิติโยวิวัชฉันตุสัพพโลวินาศตุมัเตภวัตวันตารโยสุขิตีขายุโกภวาอภิวัตนาสีริสานิจังวุฒาปจายินโอยตาโรธรมมวทานเตอายุวันโอสุขัง พาลามสาธุช่วงต่อไป น, นี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรขอเธินถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะได้รับคำตอบเพราะว่าถ้าเลิกแล้วมาถามมันจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตา ม, มตทั้งหมดเท่าไหร่ กาบนวันสักการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มียอดผู้รับฟังธรรมานากุติทาง Facebook 258ท่านเจ้าค่ะ YouTube พระอาจารย์283ท่านทาง YouTube อกเตอรวีสีท่านวิดิโอออนไลน์6ท่านคลับเพาส์ท่านนัากุติ237ท่านรวมทั้งหมดเป็น830ท่านเจ้าค่ะโอเคอันด็อกเตอร์ก่อนะ ครับขอากาดเรียนถามพระอาจารย์ครับก็วันนี้ก็ผมก็มาถึงที่น้ากุฏิประมาณบ่ายโมงครับก็ตั้งใจมาภาวนาก่อนที่มาฟังธรรมครับประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ตอนที่พระอาจารย์บรรยายธรรมเนี่ยผมก็ภาวนาไปเรื่อยครับก็คือดูลงหมายใจเข้าออกเนี่ยนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะภาวนาเนี่ยผมก็อธิษฐานว่าวันนี้อยากจะรู้ว่าการทําทานกับการ เราไปปฏิภาวนาเนี่ยอันไหนได้บุญมากกันแล้วก็อันนี้สงต่างกันยังไงแล้วไม่รู้ว่าใครไปบังเอิญว่ามันีพระอาจารย์เทศเรื่องนี้พอดีเลยครับโอเอเลยนะเ ข, ข้าใจแล้ยนะครับอแต่ว่าแต่ว่าพอจิตมันเข้ า, ข า, ข า, ขาสมาธิมันก็ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างมันก็ Rag มันก็แบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวฟังย้อนหลังได้ครับถ้าอยากจะนั่งสมาธิบางทีเราก็ไม่ต้องไปสนใจกับธรรมะให้ใจสงบแต่ถ้าเราต้องการธรรมะเราก็ต้องคิดตาม อันนั้นเรา ไ, ได้คิดตามเราอยู่กับลมหายใจก็ก็ภาวนาเพื่อสมาธิไปก่อนครับแล้วส่วนเรื่องปัญญาความเข้าใจก็มาฟังทีหลังใหม่ก็ได้ครับดขีข้อสองครับก็คือผมสังเกตตัวเองครับก็คือผมจะปฏิบัติสองแบบครับแบบแรกคือการภาวนาพุโทโธโดยไม่ดูลมหายใจก็คือพยายามภาวนาพุโทโธไปเรื่อ ย, อยผมสังเกตตัวเองว่าพอภาวนาไปประมาณสักยี่สิบนาทีฮะ มันจะเกิดอาการคือคนลุกขนพองแล้วก็น้ําตาไหลไปทุกครั้งเลยครับก็คือแบบน้ําตาไหลทุกครั้งเลยเหมือนกับคนร้องไห้เลยครับแต่คราวนี้พ่อผมมาปีมมาเป็นดูลำหายใจเข้าออกโดยไม่ไม่ดูคำภาวนาครับมันไม่เกิดอาการน้ําตาไหลไม่เกิดขนลุกขนพองแ้วมันจะเกิดเหมือนขึ้นกระทบอะฮะเหมือนกับตัวเราโยกอะฮะแต่คำ ว, ว่าผมก็สงสัยว่าทําไมอาการปีติเขาเรียกว่าปีติตัวนี้มันมันต่างกันนะครับก็เพราะกรรมฐ า, านมันต่างกันครับเหตุมันต่างกัน ก็ไม่ต้องเป็นกังวลวิติเป็นเพียงทางผ่านเราต้องการไปสู่เบคาะนิ่งสง บ, บ, บถ้าไปถึงจุดนั้นก็เหมือนกันพุทโธก็จิตก็จะรวมดิง่งเหมือนตกจากที่สูงลงมาพุทโธถ้าดูรวมก็จะบางทีก็ตกเป็นขั้นบันไดครับก็ไปค่อ ย, อยๆสงบทีละขั้นทีละขั้นแต่ในที่สุดก็ถึงอุเบคาเหมือนกันครับนั้นเป้าหมายของการปฏิบัติก็คือให้ไปถึงจุดที่นิ่งสงบที่สุดที่เรียก ว, ว่าอุเบคาค จิตสักแต่ว่ารู้ความคิดตูแต่งหายไปหมดปิติสุขอะไรต่างๆก็ที่ผ่านมาก็จะหายไปหมดครับเหลือแต่ความว่างครับข้อสามครั บ, ร บ, รบก็คือผมอะเคยบวชเป็นพระตอนปีห้าสามกับห้าเก้าอะครับก็ตอนที่เป็นบวชเป็นพระเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะข้ามปิติไปได้ก็คือจิตเรามันก็จะกายดับลมหายใจดับหรือจะจิตหรือตัวรู้สว่างสวายอย่างเดียวเนี่ยฮะแต่พอฝึกมาแล้วเนี่ยครับ ตอนนี้มาผ่านมาจะสิบปีแล้วครับเหมือนกับเรายิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยเหมือนเราปฏิบัติได้น้อยลงแบบหมายความว่าความสงบมันน้อยลงก็คือมันจะติดอยู่แค่ปีตีอย่างเดียวกับสุกเนี่ยนะฮะมันไม่มันไม่ถึงขั้นที่ลมหายใจดับแล้วก็กายดับก็คือมันเกิดน้อยมากอาจจะเกิดแรกๆอาจจะแบบตอนสึก ใ, ใหม่ๆอาจจะเกิดปีละสิบครั้งแต่พอผ่านไปสิบปีเนี่ยปีหนึ่งเกิดไม่ถึงหนึ่งครั้งเนี่ยห ม, มายความว่าจิตเรามันเสื่อมแล้วใช่ไหมฮะใช่สติเราเสื่อมครับเวลาที่จะเจริญสติมันน้อยลงเพราะเราตงใช้ จิตไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องงานเรื่องการถ้าอยากจะได้สติคืนก็ต้องไปบวชใหม่ไปอยู่ไม่มีงานทําไม่มีเรื่องที่จะต้องคิดพอไม่มีเรื่องคิดมันจิตมันก็จะได้สติกับคืนมาแล้วมันก็จะรวมยากกายยากใจได้ครับแต่ถ้าเราไปติดอยู่ตรงปีสีกระสุกที่มันเกิดคนลุ่นพอน้ําตาไหลพวกนี้ก็เป็นสมาธิขั้นต้ น, ตนๆใช่ไหมฮะใช่ยังไม่ถึงขั้นที่สี่ครับยังอยู่ขั้นที่สองครับ ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองมันก็แยกปิติสุขครับถ้าเราเพ่งต่อไปดูลมต่อไปเมื่อพุโทโธต่อไปเีืยวก็เข้าถึงขั้นที่สี่ครับตอนนั้นก็จิตก็จะสงบเหมือนกับแยากกายแยกใจสแต่ว่าลุคือตอนนี้ก็แบบนั่งทีไรก็ติดอยู่แค่ขั้นสองขั้นสามไม่ถึงไม่พอไงมือนเติมน้ำมันครื่องถังลเลยครับอย่าเ ว, ว่งไกลกินเครื่องถังก็ไม่ได้มันหมดซะก่อนน้ำมันหมดซะก่อนครับถ้าไปเป็นนักบวชมันมีเวลาจเจริญสติได้ทั้งวัน ครก็สามารถเต็มตา ม, มสเตจได้เต็มถังพอเติมถังเมื่อมันก็สามารถเข้าไปสู่ขั้นที่สี่ได้ครับ ข, ข้อสุดท้ายครับก็คื อ, อ, อตอนที่ผมบวชเมื่อปีห้าสามเนี่ยเกิดจากแม่ผมว่าป่วยหนักป่วยหนักก็คือเออคุณหมอบอกว่าต้องเสียชีวิตแน่นอนแล้วผมก็เลยลาออกจากงานไปบวชให้แล้วแม่ตอนที่ไปบวชเนี่ยแม่เขาก็นิมิตเห็นว่ามียมบาลมารับแม่ครับลงไปนนรกแล้วก็อยู่ในนรกนรกเจ็ดวัน แล้วก็ไปเห็นแบบเห็นในนรกแบบมันน่ากลัวครับแล้วสุดท้ายวันที่เจ็ดเนี่ยก็คือมีฤาษีครับเขามามาหาแม่แล้วบอกว่าให้โอกาสกลับไปว่ารูปบวชให้อะไรเงี้ยฮะแล้วตอนที่ผมบวชปีห้าสาวเนี่ยก็คือตั้งใจปฏิบัติก็คือพยายามนั่งสมาธิเดินจงกรมสิบแปดถึงสิบสองชั่วโมงทุกวันนะครับประมาณสองสามเดือนนะฮะแล้วแม่ก็วันี้มีเห็นว่าเหมือนกับมีแสงสว่างในนิมิตขึ้นมาแล้วก็หายเปปกติเลยครับก็คือ จากที่หมอบอกว่าต้ อ, ตองเสียชีวิตแน่ๆเนี่ยครับก็คือกลับมากลับมาเป็นคนปกติหาย ป, ปกติแล้วก็เนี้ยอยู่มาเป็นปัจจุบันเนี่ยครับแต่ว่าแม่ผมเขาดื้อคือไม่ไม่ไปกินยาก็คือหมอให้กินยาเป็นยาประจําเนี่ยแล้วแม่ก็หยุดยาไปเองสามสามปีแล้วมาเพึ่งเดือนนี้นครับแม่ก็มาป่วยหนักอีกรอบนึงป่วยหนักเหมือนกับปีห้าสามเลยครับแต่ว่าครั้งก่อนที่ผมไปบวชได้นี่ก็เพราะว่ามีญาติคอยดูแลแต่ครั้งเนี้ยผมบวชไม่ได้เพราะว่าเพราะว่า ผมเหลือผมคนเดียวแล้วตอนนี้คือต้องดูแลแม่ก็เลยลา ง, งานมามาคอยดูแลอย่างนี้ครับแต่ว่าผมก็อยากตั้งใจจะบวชแล้วครับแต่ว่าบวชไม่ได้ก็เลยทําการนั่งสมาธิเองแต่นั่งพยายามนั่งให้ได้วันละสองถึงสามชั่วโมงนะฮะแล้วก็พยายามอุทิศบุญให้แม่ครับไม่ทราบว่าท่านอย่างเงี้ยมันเราสามารถช่วยแม่ได้เหมือนเหมือนตอนบวชไหมครับก็ลองทําดูนะแต่เราไม่ ร, มรู้ก็ต้องรู้ผลที่จะตามมาครับแต่รอบนี้ก็หนักหนักเหมือนปีห้าสามเลยครับออครับ อันที่สุดมันก็ต้องไปอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามับแต่พระพุทธเจ้าก็ยังต้องไปับให้เราก็ทําเต็มที่ของเราก็แล้วกันส่วนผลจะเกิดหรือไม่เกิดมันก็เป็นเรื่องของวิบากของแม่เขาไปก็แล้วกันครับโอเคนะครับฝากสุขับอเชิญถามต่อค่ะท่านอาจารย์ หนูอยากทราบว่าวิปัสสนากับกรรมฐานเนี่ยมีความเหมือนหรือต่างกันยังไงแล้วเราอจะเอาวิปัสสนามาใช้หรือว่ากรรมฐานมาใช้ให้เข้าสมาธิได้ง่ายกว่าค่ะอ๋อคือคำว่ากรรมฐานนี้มันเป็นอารมณ์ที่เราสามารถนํามาใช้เพื่อจิตสงบเป็นสมถะก็ได้หรือเอามาใช้เพื่อให้เกิดปัญญาเป็นวิปัสสนาก็ได้ <c oughs> เช่นถ้าเราใช้พุโทโธพุโทโธนี่มันจะเป็นสมถะบันจะทำให้จิตสงบแต่ถ้าเราเอามา ใช้อาการสามทีสองของร่างกายแล้วใช้ความตายมาพิจารณาเนี่ยมันจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานนี่เป็นอารมณ์เป็นเป็นตัวที่จะทาให้เกิดวิปัสสนาก็ได้เกิดสมถะก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะต้องเลือกใช้อันไหนถ้ า, าอยาจะได้วิปัสสนาเราก็พิจารณาร่างกายของเราว่าเกิดแล้วต้องตายเป็นธรรมดาเด็กเรียกไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันเป็นกฎของตายลักอนิจจังทุกขังอนัตตา ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็เราก็ต้องปล่อยปล่อยให้มันตายไปถ้าเราปล่อยได้เราก็วิปัสสนามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาค่ะอันนี้เป็นวิปัสสนาค่ะเรากรรมฐานก็คือดูกายละกรรมฐานก็คือความตายไงความตายออกค่ะกรรมฐานเป็นเป็นอารมณ์ที่เราใช้เป็นอารมณ์พิจารณาสอนใจค่ะให้เกิดปัญญาให้เกิดวิปัสสนาขึ้นให้รู้แจ้งเห็นจริง เพราะร่างกายทุกคนเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาค่ะแล้วแล้วเวลานั่งสมาธิแล้ว เ, เหมือนกับเข้าสมาธิได้เป็นคณนกิกาสมาชั้นๆ น, นะคะแล้วก็ชอบหลุดออกมาแล้วก็น้ำตาไหลแล้วก็ไม่ได้แล้วอะค่ะเพราะสติเรามีเท่านั้นเหมือนที่เมื่อกี้พูดเติมน้ำมันได้แค่นั้นมันก็ได้ไปถึงแค่แค่จุดนั้นถ้าอยากจะไปลึกกว่า น, นั้นก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นค่ะ เราเดี๋ยวก็จะเข้าไปสูวิอุเบกขาได้ค่ะก็ก็ใช้พิจารณาร่างกายใช่ไหมคะตอนที่นั่งสมาธิไม่พิจารณาใช้ลมหรือใช้พุโทโธแทนค่ะอ๋อค่ะที่ปรันานี้เราที่เราออกมาจากสมาธิเราอยากจะมาแก้ความทุกข์ใจที่เราทุกข์กับร่างกายก็ใช้พิจารณาความตายว่าร่างกายมันต้องตายเป็นธรรมดาแล้วพอเรายอมรับความตายของร่างกายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายต่อค่ะ อันนี้เป็นปัญญาคนลคะเรื่องกันค่ะเข้าใจแล้วค่ะเะค่ะคมีการอยากจะถามเองไหมตอนนี้มีไม่อยู่นะอ่างเข้ามาวันนี้ทางบ้านะจะไม่มีเวลาแล้วโอแคอ่นีงนี่ได้ได้อาเจิ์ถา ม, ถามได้กราบนมัสการพระอาจารย์ครับเอ่อ ผมมีคำถามคำถามหนึ่งที่ติดอยู่ในใจระหว่างการทำสมาธินะคะพระอาจารย์เวลาผมทำสมาธินั่งสมาธิแล้วจิตคือมันมักจะเห็นภาพเหมือนการฉายหนังไปเรื่อยเรื่ยเื่อเป็นเรื่อง เ, เรื่อื่อเรื่องเระค่ะพอาจารย์อันนี้อยากทราบว่ามันเกิดจากปัจจัยอะไรครับปรุงแต่งสังขารของเราความคิดปรุงแต่งของเราสติเรายังไม่กระชับ ปฏิเรายังไม่ต่อเนื่องต้องกลับมาที่พุโทโธหรือหยุดกลับมาที่ลมหายใจอย่าไปตามภาพยิ่งตามภาพมันก็ยิ่งฉายไปใหญ่เลยกลับมาที่กรรมฐ า, านกรรมฐ า, านจะเป็นตัวระงับภาพาต่างๆได้ต่อไปใจก็จะว่างจะสงบได้ถ้าเราใช้พุโทโธก็กลับมาหาพุโทโธพุโทโธพุโทโธถ้าเราดูลมก็กลับมาดูลมไปอย่าไปสนใจกับสิ่งต่างๆที่ปรากฏในขณะที่เรานั่งเข้นะาใจไหม ครับผมแล้วผมอยากถามว่าในทุกวันนี้ที่ผมพิจารณาสาสองประการเนี่ยถือว่าเป็นหนทางได้อีกหนทางหนึ่งไหมครับอันนั้นก็เป็นปัญญาสอนใจให้เราเห็นว่าร่างกายไม่มีตัวตนมีแค่อาการสาสิบสองไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ต้องต้องแก่เจ็บตายเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปยึดไปติดกับร่างกายของเราหรือร่างกายของคนหนึ่งแล้วก็จะเห็นว่าไม่สวยไม่งามอันนี้เพื่อดับการมาราคะ ตามอารมณ์ต่างๆครับขอบพระคุณครับคบ่ะคาธุมีคาถามทั้งว่ามีข้เชิญข้าวจรมัสส ก, การค่ะพระอาจารย์หนูอ่ถามได้จ้ะค่ะหนูเพียรปฏิบัติตามสติปัฏฐานสี่นะคะก็คือค่อนข้างรู้สึกตัวบ่อย เวลาเจออะไรที่มากระทบนะคะมันก็จะเห็นแต่ก็ไม่ได้เข้าไปปรุงแต่งนะคะบางทีเจอแค่นิดเดียวมันก็มันก็รู้สึกอะคะ่ะหนูก็พยายามดูไปบางทีดูปุ๊บมันก็หายไปเลยบางทีดูดูแล้วก็อาจจะหายไปแป๊บนึงก็กลับมาอีกอะคะ่ะหนูก็พยายามดูดูไปอะคะ่ะไม่ว่าไม่ว่าจะเรื่องของตาเห็นหรือว่าหูได้ยินหรือว่าเสียงที่กระทบอะไรก็ต่างๆอะคะ่ะ อันนี้คือหนูมาถูกไหมคะก็เป็นการฝึกสติให้รู้เฉยๆอย่าไปมีอารมณ์กับสิ่งที่รับรู้อย่าไปลักไปชังไปกลัวไปหลงค่ะมันก็เลยไม่ค่อยเข้ามามีบทบาทกับกับใจเท่าไหร่เขาต้องมานั่งสมาธิต่อไงตอนที่เราไม่ได้นั่งเราก็ต้องเจริญสติแล้วพอเวลาเรามีเวลาว่างเราก็มานั่งสมาธิตอนนั่งสมาธิพอจิตสงบเราก็จะพบกับจิตจะรู้จักตัวจิตอีกทีนึง เราต้องอาศัยสติที่เราฝึกในก่อนที่เรามานั่งค่ะ <พอ S 1> บางทีงก็มาดูลมหรือพุโทโธไปค่ะบางทีเดินเราก็ไม่ได้ตั้งใจรู้สึกอค่ะแต่ว่ามันก็มันเหมือนรู้รู้ไปเองอะค่ะเราต้องตั้งใจเวลาเดินก็ต้องมีสติอย่าให้ใจลอยไปคิดกับเรื่องอื่นให้ อ, อยู่กับเรื่องของการเดินอย่างเดีย ว, ยวค่ะเดิน อ, อยู่กับพุโทโธที่เรา กำลังเดอนแล้วก็พูดโทพูดโทไปค่ะบางทีก็มีการใช้พูดโธช่วยบางทีก็เป็นดูลมหายใจอะคะ่ะบางทีก็ดูกายแล้วแต่แล้วแต่อไหนก็ได้ที่จะทำให้ใจเราไม่ลอยไปกับความคิดต่างๆค่ะค่ะขอบคุณค่ ะ, ะส่งต่ออีกท่านหนึ่งโยมมีคำถามว่าช่วยส่งไปเลยนามสการค่ะพระอาจารย์ วันนี้โยมได้ฟังเรื่องที่พระอาจารย์สอนในวันนี้ค่ะเรื่องอ า, อามิตรบูชากับปฏิบัติบูบชาโยมรู้สึกว่าโยมเข้าใจในสิ่งที่เราปฏิบัติมาตลอดเวลาในในเวลาอันสั้นมากที่พระอาจารย์สอนเมื่อสักครู่ค่ะแล้วโยมก็ปฏิบัติตามไปซึ่งโยมรู้สึกว่าโยมโหูฟัง แต่จิตเน่งมากค่ะแต่พอพอนั่งเองอะค่ะในขณะที่มีมีเวลาเหลืออยู่โยงรู้สึกว่าฟงซานมากเลยค่ะกว่าจะรวบรวมได้แล้วด้วยทุกเขเวทนาจากร่างกายที่มันเจ็บอยู่โยงก็พยายามแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลคำถามของโยงคือว่า การนั่งสมาธิการทำสมาธิเนี่ยมันต้องกำหนดในเรื่องของเวลาไหมคะสมมุติว่าเราต้องนั่งเช้านั่งก่อนนอนหรือในขณะที่เราว่างหรือว่าเราทำได้ทุกขณะจิตอันนิยมถ้าเป็นไปได้อยากจะให้นั่งมากๆทุกหลายๆครั้งก็ได้แล้วนั่งนานเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งดีแต่ถ้าเรามีข้อจำกัดเช่นเราต้องไปทำงานหรือต้องไปทำอะไรเราก็ต้องกำหนดเวลานั่งไปแต่ถ้าเราไม่มีธุระก็ต้องไปทำอะไรเราก็นั่งไปเรื่อยๆ นั่งใจก่อนจะทนนั่งไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเดินตรงกลมต่อก็คือต้องนั่งนั่งเป็นเวลาที่ที่เรามีเวลาที่กําหนดได้นะคะเราไม่กําหนดว่าเดี๋ยวถึงเวลาเราจะไม่นั่งอันอันนี้อันนี้แอบเหมือนกันค่ะบางทีก็นอนสมาธิแอบแอบเหมือนกันค่ะพี่เลย์บันชอบสบายไม่ชอบก็คือว่าต้องนั่งนะเจ้าคะใช่พยายามนั่งให้มากๆค่ะการนั่งจะทําให้เรามีความสงบมากมีความสุขมากค่ะ เข้าใจแล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ ะ, ะ, ะ, ะกราวนามส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะกลับขอโอกาสเอออยากจะทราบว่าถ้าเกิดว่าเราอะ่ะเราดึกรู้ที่จุดหนึ่งกลางตัวเจ้าคะ่ะเหมือนเราดึกรู้ที่จุดนั้นแล้วก็ถ้ามันไม่มีสภาวะใดก็คือแค่รู้เหมือนมองไปที่จุดนั้นจุดเดียวจ้ รู้ไปที่จุดนั้นจุดเดียวเจ้าค่ะแล้วเกิดถ้ามันมีความไอเย็นหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็รู้มันมีไอเย็นขึ้นแบบนี้มันใช่สมาธิหรือเปล่าเจ้าค่ะก็เป็นการฝึกสมาธิแต่ยังไม่ได้สมาธิสมาธิจิตต้องนิ่งสงบไม่ได้มีอะไรไม่ต้องดูอะไรไม่ต้องเห็นอะไรเจอแต่ความว่างจิตนิ่งสงบเกิดความสุขปราศจากความคิดปุงแต่งอันนั้นถือเป็นสมาธิตอนที่เราดูนั่นเรียกว่าการใช้สติ ถูกใจไว้ไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดถ้าถูกไว้ได้นานๆมันก็จะหยุดคิดพอหยุดคิดแล้วมันก็จะว่างหายไปทุกอย่างหมายถึงมันคือการจเจริญสติแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดสมาธิก็คือจเจริญสติแบบนี้ไปเรื่อยๆได้จนถึงจุดหนึ่งมันก็จะสงบนิ่งขึ้นไปอเอง<อ>ใช่ไหมจัะทุกอย่างก็หายไปแล้วแต่ความว่าง คือเราควรจเจริญสติในชีวิตประจาําวันแต่ว่าเวล า, ท, าที่เรามีเวลาเราควรทาสมาธิเพื่อให้มีกําลังมากขึ้นแบบนี้ใช่ไหมเจ้าคะการนั่งสมาธิก็เป็นการเจริญสติเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะทําให้จิตเนื่องกว่าการมีสติระหว่างเราทํางานต่างๆกราบขอบพระคุณเจ้า ค, ะค่ะอ่าหมดแล้ยังออ่ไม่เลยสองคำถามยาวหรือเปล่าอ่าสองคำถาม ก, การนมัสการมรอาจารย์ใช่ค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมะนัคุติสองคำถามชคา่ค่ะถามเข้ามาว่าเวลาทำงานแลาฟุ้งซ่านเคยได้ยินคำสอนให้ปล่อยวางทำอย่างไรก็ทำไม่ได้ค่ะยิ่งทำยิ่งยากให้ปล่อยอะไรวางอะไรคะและต้องทำอย่างไรกลบขอบพระคุณมากคา่ะคืออย่าไปสนใจกับเรื่องที่ทำให้เราวุ่นวายถ้ า, าปล่อยไม่ได้เราก็ต้องใช้สติปล่อยตั ด, ตดมัน อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราวุ่นวายใจให้คิดถึงพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปภายในใจเดี๋สักพักหนึ่งเราก็จะลืมเรื่องนั้นได้พอเราลืมเรื่องนั้นก็ถือว่าเราปล่อยความทุกข์ที่เกิดจากเรื่องนั้นก็จะหายไปชั่วคราวเจ้าค่ะคําถามที่สองในยามที่ประสบความสําเร็จทําอย่างไรถึงจะตัดใจพอได้คะกราบขอบพระคุณคะ่ะก็มันเป็นของไม่เที่ยงยทุกอย่างมั็นของชั่วคราว ร้อำเร็จมากน้อยเป็งไรมันก็เดี๋ยวมันก็หมดไปความความสาเร็จทางโลกมันเป็นของไม่เที่ยงพอมันหมดไปมันก็จะทําให้เราทุกข์อย่าไปสนใจกับความสําเร็จทางโลกให้มาหาความสําเร็จทางจิตทางใจเพราะเป็นความสําเร็จที่ยั่งยืนถาวรต่อไปหมดแล้วใช่ไนหะมมีทางเฟซบุ๊กค่ะบ้านเราพอแล้วพอลดเวลาค่ะงั้นเดี๋ยวถามวันพรุ่งนี้ก็ได้เจ้าค่ะไดค่ะต้อง ข, ขอขอภัยด<อ>้วยนะพอดีเวลาหมด ขอให้ท่านทงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิิชพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ